ข อ, อกราบสวัสดีท่านผู้ฟังรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิบปทุมทุกท่านครับรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิบปทุมจะเป็นรายการสดครับโดยมีกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติพู้ษ์มีประดิษฐ์ผูดในการสานักวิชาการศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยสิบปทุมเป็นผู้ดำเนินรายการครับเช่นเคยครับวันนี้ทางรายการการพัฒนาประเทศประคุณพระเทพพิโรกวัดประวัติวิหารเป็นวิกรต่อปัญหาธรรมะครับ เบอร์โทรศัพท์ของทางรายการคือ022413315 022413315ขณะนี้กำลัง ร, งรับทุกสายเพื่อสอบถามปัญหาธรรมะประเด็จคุณเข้ามานะครับขอประเด็นอของข้อคําถามต้องไม่เกี่ยวข้องกับบทที่สามหรือเกี่ยวข้องกับรเรื่องทางการเมือง น, นะครับเพราะสถานีวิทยุที่เราจัดรายการแห่งนี้เป็นสถานีวิทยุของทางราชการครับขอสายแรกครับสวัสดีครับฝ่ายรายการครับครับสวัสดีครับสอบถามได้เลยครับ ผมอยากกล้าว่าสมัยก่อนทีผมบวชนะไม่มีการว่าพระเจริญมาบินาบาน็นตบะแล้วจะให้พรตอนนี้ทีนี้เกลเลยครับให้พรมันถูกต้องไหมครับ <c oughs> ผมคำนองการครับก็ขอบคุณมากครับเออนี่ที่จริงต่อไปเยอะแล้วนะฮหลายครั้งเลยเกินนะรู้สึกว่าเป็นแฟชั่นไปแล้วคงจะต้องทำหนังสือถึงมอสอสกทีแต่มาว่าอยากอยากให้ทําในานามมหาวิทยาลัยศรีสุนทรดีกว่านะทําไปเพราะว่า ประทึกเป็นข่าวเยอะคือคืออย่างที่บอกว่าเป็นการกระทําที่ไม่สมควรมันผิดในแง่ของอการแสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ซึ่งอาจจะสวมรองเท้าอาจจะยืนบนที่สูงเราก็ไม่รู้นะฮะแต่สมมติว่าเขาแสดงความเคารพมันควรจะรู้ว่ามันผิดเทสะการล ะ, ะเทศะนี่มันไม่ควรครับเรื่องบางเรื่องเป็นความดีแต่ถ้าไม่ดูการละเทสะมันก็ไม่ควรครับ ใ, ในแง่ของการละเทสะ แต่เช่นสมมติวเรานั่งไปสวดมนต์ริมถนนเนี่ยอแต่ก็เป็นการเรียสวดมนต์นะแต่ว่าสถานที่มันไม่ให้ให้ใช่ไหมครับคนเราต้องดูการละเทศะด้วยครับคุณมากครับจะ่ติดแจ้งครับสายที่สองครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเป็นแฟนรายกนะครับอยากจะโทรมาขอขอบพระคุณนะครับอดีผมได้ตีดีเทศธรรมะจัดทางหมายไว้ลายแล้วนะครับครับผม ฮัลโหลเชิญสอบถามได้เลยครับครับครับอดธจะถามจะถามปัญหานี่หนึ่งครับคือผมได้รับเทศจธรรุดกรรมสิบสองที่ทางมหาลัยศรีประทุมเนี่ยได้ได้จแจกให้อนะครับครับผมก็ได้นํามาเผยแพร่ได้มาเล่าให้กับลูกศิษย์ผมฟังคือผมเป็นอาจารย์นะครับทีนี้เนี่ยถางลกศิษย์ก็ถามมามีข้อเข้าใจอันนึ่งซึงผมยังตอบเขาไม่ได้นะครับคือในในในํานองที่ว่าเมื่อเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยเราจําอดีตชาติของเราไม่ได้หรือเราไม่สามารถ ระลึกถึงได้เนี่ยดังนั้นจำเนี้ยมันมันจะมีผลต่อเราอย่างไร mm hmm. ในในในแง่ของความรู้สึกในทางความคิดนะครับเพราะเราเราเราจำผลที่เราทำมาไม่ได้ดังนั้นมันมันก็ดูเหมือนว่ามันก็จะ ไม่มีไม่ได้เดือดร้อนในทางความรู้สึกเท่าไหายอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเราจําไม่ได้ใช่ครับครับแต่ยังไงรูกสุกุลหลวงพ่อช่วยช่ตอบด้วยนะครับครับขอบคุณแจ้งมากเลยนะครับครับผมขอบคุณมากครับคือคือไม่ได้หมายความมาทุกชีวิตจําไม่ได้แต่ว่าเราเนี่ยเนื่องจากเราเกิดในคันนะฮะเราอยู่ในคันเช่นานแล้วก็ทำให้เราจําไม่ได้ครับแต่ว่าตามมันก็นําเราไปเกิดให้เป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยมันก็ย้อนกลับมาเพราะอะไรก็เพราะกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็บอกอย่างนั้น แล้วก็นอกจากนั้นเวลาเรามีชีวิตเนี่ยเราจะเห็นว่าผลบางอย่างเราสืบสาวเหตุไม่เจอว่าเหตุนี้มันมาจากไหนก็แสดงว่าเหตุนั้นเป็นอดีตกรรมก็มาในรูปของการสนับสนุนมาในรูปของการตัดรอนมาในรูปของการทําลายก็แล้วก็ก็แล้วแต่ครเป็นรายละเอียดในข้อที่สิบสองที่ท่านอธิบายไว้นั่นแหละครับ มันมันไม่จําเป็นต้องรู้หรอฮะคือคือมันเหมือนกับไอความเป็นพืชชนิดหนึ่งมันอยู่ในเมล็ดพืชอยู่แล้วมันก็ไม่รู้ว่ามันมีตัวปลูกแล้วมันก็งอกขึ้นมาเองครับกรับขอบคุณเจ้ากจครับสายที่สามครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านจากนรมาสการเทศกุณจาร์นะคะอยากเรียนถามท่านสองข้อครับลบกวนพูดดังๆนด้นึงนะครับสายจะได้ได้ยินทั่วกันนะครับค่ะ จะถามท่านสองข้อคือข้อที่หนึ่งคำว่าอนัตตาที่หมายความถึงไม่มีตัวตนนั้นหมายความว่าอย่างไรเมื่อตอนเด็กๆยังจำได้ว่าคุณแม่บอกว่าเราไม่มีตัวตนจังก็จับแขนคุณแม่บอกนั่นแขนจับหัวท่านก็บ้านหัวจับตัวตรง อ, อก้ม่กลัวขัดอกเห็นไหมแล้วไม่มีตัวตนนะคะคคข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คืออ่าอัตตาหิอัตปโนนาโถอันนี้นะคะให้ในที่ทั่วไปหรือว่าในกรณีใดบ้าง เออถ้าดูแล้วเนี่ยคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยถ้าแต เ, เกิดจนตายเนี่ยมันต้องมีการช่วยเหลือกันเสมอเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับกรณีไหนนะครับขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณมากเลยครับข้อละอนัตตาเออมันเป็นธรรมะสองระดับนะฮะคืออัตเหอัตโนานาโถนี่เขาเรียกว่าสมมติสัจจะคือเป็นเรื่องของการพูดในลักษณะสมมติสมมติเป็นตัวเป็นตนเป็นนายกรนายขอเป็นสมมติทั้งนั้นเนี่ย เ, เราก็ต้องปฏิบัติระดับของศีลธรรมจัญญาห น, น้าที่สามีพันยาพ่อแม่ลูกเพื่อนผูงครูบาอาจารย์กษิตราษฎรกั ะ, ะประเทศชาติและแอะไรเนี้ยมันก็ตนนั้นแหละนี่ก็คือตนในแง่ของการสมมุติบัญญัติแต่ว่า พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเราเข้าถึงความจริงแล้วเนี่ยตัวตนมันไ ม, ม่มีเพราะเป็นการประชุมร่วมกันของพวกขันธาตุหลายธาตทั้งหลายนีย่พูดง่าวดินน้านูไฟอากาศเนี่ยมาเกาะ ก, กลุ่มกันเป็นร่างกายพอย่อยออกไปเนี่ยคือเราเห็นในชัดนหนึ่งเราควบคุมสั่งการอะไรมันไม่ได้ครับถ้ามันเป็นตัวตนเราต้องสั่งการมันได้ครับแล้วก็สองเนี่ยมันตรงกันข้ามกับความเชื่อเรื่องเที่ยงแท้แน่นอนเป็นตัวตนถาวรอยู่ในสูงสวรรค์อย่างความเชื่อในเทวนิยมทั้งหลายเนี่ย สามเนี่ยพอย่อยแล้ว ม, มันมันมันศูนย์เลยมันไม่เหลืออะไรอยู่เลยครับแล้วก็สี่ก็คือว่าเราไม่เป็นเจ้าของอะไรเลยสักอย่างเดียวที่เราคิดว่าของเราของเราของเราอะถ้าเป็นถ้ามันเป็นตัวตนของเราแสดงวา่าของของเราก็ต้องเป็นของเราด้วยแต่ที่จริงมันไม่เป็นนะพระพุทธเจ้าบอกว่าคนนี่บนเพออันนั้นของเราของเราของเรานะแม้แต่ตัวของเรายังไม่เป็นของเราและสิ่งเหล่านั้นจะเป็นของเราได้ยังไง เพรางั oh. ้นเราเราเราก็เห็นในชัดว่าคนตายเนี่ยไม่ได้เอาอะไรไปแม้แต่ร่างกายที่แก ค, คิดว่าเป็นตนเนี่ยแต่ก็เอาไปไม่ได้แต่เป ไ, ได้ครับผมใช่ไหมฮะครับมันมันมันมันเป็นเป็นการพูดระดับของความจริงที่แท้จริงกับระดับสมมติสัจจะสมมติสัจสมมสจะเหมือนสัญญาณจราจรนะหยมก็แล้วแต่สมมุติเอาครับ ก็ในขณะที่สมมติอย่างนั้นก็ทําอย่างนั้นแหละแต่วันไหนเขาเปลี่ยนมาก็มันก็เปลี่ยนตนก็เหมือนกันแหละเราจะเห็นว่าชื่อคนบางคนมันก็เปลี่ยนอยู่เรื่อยๆก็สมมตว่าเปยนอย่างนั้นจนะามาเนี่สมมติว่าเป็นประเทศอีโลกเมื่อก่อนมันก็เปลี่ยนๆ่ะก็สมมุติคคไปเรื่อยๆพุททาก็ตายก็ตายก็ไม่เหลืออะไรเลยสักอย่างหนึง e ่งเขาสอนอัตเหอัตโนนาโถนะครับนั่นไงฮะอัตเหอัตโนนาโถแบบสมมติไงที่ว่าไปแล้วคเดี๋ยวเป็นเป็นคือพอเราพูดะอุศน นี่กุศลระดับหนึ่งเขาเรียกวัตถามีกุศลครับกุศลที่ตกแต่งพภพชาติแต่มันประนีตคนเรายังหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏเราจะต้องอาศัยบุญบาปเนี่ยนําเราไปจนถึงฝั่งคืออาศัยบุญเนี่ยนำไปสู่พระนิพพานแต่พอถึงพระนิพพานเนี่ยเราทิ้งแม้แต่บุญหรือบุญนี่เอาไปไม่ได้ครัเพราะบุญมันนำไปสู่พภพชาติที่ประนีตนะบาปมันก็นําไปสู่พภพชาติที่หยาบครับเพราะนั้นอันนี้เขาเรียกวัตถามีกุศลทุกอย่างสมมติหมดยอมรับหมด แล้วที่จริงเนี่ยพระพุทธเจ้าเองเขาก็เรียกท่านอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็เรียกชื่อเยอะก็สมมติเอาครับนะพระเจ้าทําไม่ยึดติดเพราะท่านได้มีตัวตัว ต, วตวนให้ไปยึดอะไรครับในขณะเดียวกันระดับหนึ่งเ้าเรียกว่าวิวัตกามีกุศลคือกุศลที่หลุดพ้นจากสังสารวัฏแล้วแต่เมื่อพูดกับชาวบ้านมันก็ต้องพูดด้วยภาษาที่สมมติ ครับนะมันเหมือนก็เราเป็นญาเอกแล้วเราพูดกับเด็กกานุบาลเนี่ยคุณพูดไปเอาวิชาปัญญาเอกมาพูดได้เหรอมัพูดไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องพูดใยภาษาเด็กครับเอาไว้ในว่าฮะครับอันนี้ก็ลักษณะอย่างนั้นมันมันเป็นความจริงสองระดับครับขคุณทั้งคู่นัแหละขอบคุณที่เข้ใจครับศูนย์สองสองสี่หนึ่งสามสามห่ห้าะครับโทรศัพท์สอบถามปัญหาธรรมะเข้ามได้ครับมีแฟนรายการท่านหนึ่งนะครับจดหมายมาสอบถามนะครับด้วยความใจบอกว่า อยากจะทําบุญแล้วก็กวดน้ําอย่างให้ถูกต้องตามหลักการพุทธศาสนาเลยนะครับที่คุณจันทร์ครับเวลาทาบุญเนี่ยต้องทําจิตใจยังไงบ้างตอนตอน ต, อนตัก บ, บาตรนะครับแล้วตอนอธิษฐานจิตนั้นเมื่ออธิษฐานไปแล้วทําไมต้องกวดน้ําอีกก็กวดน้ำต้องกวดน้าตอนไหนเขาอยากจะให้ทําให้ถูกต้องเลยครับที่คุณจานทร์ครับไม่ใช่ค<า>ืออธิษฐานอธิษฐานยังไงเรา ครัการอธิษฐานไปแล้วที่ส่วนกุศลไปแล้วก็คือกรวดน้ําไปแล้วอะ่ะขอขณะที่ใจตักบาตได้อธ <ใน S 1> ิษฐานไปแล้วครับคือคือหลักการในกรวดนะ้ํามันเป็นธรรมเนียมพราหมณ์เฉยๆไม่ใชของเราอะ่ะครับผมใช่ไหมคือสมัยพระพุทธเจา้าพระเจ้าใช้คําเดียวอีดังโมย่าทีนางโหนตุสุกิตาโหตุยาตะโยขอผลแห่งความดีนี้จงถึงแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอญาติทั้งหลายของาเจ้ามีความสุขจบละ Oh. บันทัดเดียวของพระเจ้านี่กรวดน้ำเนี่ยที่ทรงแสดงเองนะนะบอั น, นี้อาจารย์รุ่นหลังเนยว่าจะเป็นหน้าเลยหน้ากระดาษเลยเพราะงั้นที่เขากรวดตอนพระยาาัฐถาเนี่คือพระยัตถาเนี่ยตอนบนตอนล่างเนี่ยท่านชื่ออธิษฐานให้ เจออธิษฐานให้ข้อความเนี่ยข้อความตอนบนในช่วงอธิษฐานให้ตอนล่างถึงจะให้พรตอนล่างให้พรครับผมพอรับสัพีนี่เป็นพรแล้วองค์ที่สองรับนี่มันเป็นพรแล้วเพราะนเราต้องกรวดน้ําให้เสร็จตอนที่องค์แรกว่าครับแล้วพอองค์ที่สองสัพีนี่เราต้องพนมมือรับพรเพราะเขาให้พรไม่ใช่ใ้เรากรวดน้ํา บางทีโยม ก, กรูจะจนพระพออุเตยังกรูอยู่เลยเ<ส> พ, <ringe> พราะจีนี่ก็เริ่มใช่พอจับผีต้องเริ่มยกพนมพนมือเพราะท่านให้พรเราครับแต่ว่าตอนยถาเนี่ท่านช่วยอธิฐานให้เรา <c oughs> แล้วก็สองมัทัสดสุดท้ายเนี่ท่านให้พรเราครับให้สมความปรารถนาตามที่คุณคุณทําบุญุทิศส่งกุศลตามตามที่คุณอธิษฐานะ่ะ <c oughs> ปีติตังปะติตังอะไขึ้นตรงนี้ครับท่านครับบคนยังไม่ทราบขอบคุณท่านคุณจ่ายมากครับสายที่สี่ครับสวัสดีครับสอบถามทหารพักข้อครับครับผมชื่ออยากทราบว่าพระไกรปิฎกการธรรมนูญเนี่ยสงมันเป็นกฎหมายหรือว่ายังไงแล้วก็เป็นกฎหมายทางฝ่ายคารวะใช่ไหมครับเอ่อพระไกรปิฎกกับอะไรนะครับ รัฐธรรมนูนของของที่เราพวกเราใช้กันอยู่เนี่ยครับผมคือรัฐธรรมนูนนี้เป็นกฎหมายของฝ่ายทางทางการว่ากฎหมายสูงสุดในการปกครองแผ่นดินครับแล้วก็การพิจารณ์ของต่ออย่าให้เปรียบเทียบกันใช่ไหมครับครับครับต่อได้ครับได้ครับเดี๋ยวจะาคุณอาจารย์จะบอกให้ฟังนะครับครับขอบพระคุณมากครับ คือพระไตรปิฎกถ้าเราจะเทียบกับรัฐบรณฑูญนะฮะมีผลในการบังคับบัญชาให้เป็นไปตาม น, นั้นก็เอาเฉพาะส่วนวินัยบิดกอ๋ส่วนเขาวินัยปิฎกส่วนวินัยปิฎกนั่นฟังได้นะฮะเพราะว่ามันมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับห้ามกับอนุญาตเพราะงั้นหลักตัวเนี้ยเป็นๆคือตัววินัยเนี่ยถ้าเราเทียบคือนิติศสตา ทีนี้การบริหารจัดการตามหลักของพระวินัยเนี่ยก็มีความเป็นรัฐศาสตร์ในวงค์กรวงการคณะสงฆ์ทีนี้ส่วนส่วนพระสูตรกับพระพิธรมนั้นเป็นธรรมะปฏิบัติครับหมายความว่าเป็นกฎของกรรมที่คนทําดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วครับแต่วินัยจะมีคนลงโทษจะมีการลงโทษครับมันก็เหมือนกฎหมายถ้าผิดรัฐธรรมนูญก็ลงโทษครับคขอบคุณจระเพาะใจครับสายที่ห้าครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมขอบรบกวนถามปัญหาหน่อยนะครับเจออไรครับคือสมมติจะไห้สมมติคือรหว่างเข้าวันจาเนี่ยถ้าเนี่จะไปไปบบเชี่ยวดูอะไรได้ไหมเอ<า>อเตี้ววดยวแจ้คดูนี่หมายถึงดูอะไรครับอาจารทกครับแล้ว่าแจ็คไป บ, บขรับาัดะินอะไรเนี่ยยังไม่ออกันจาหรือว่า ไปตั้งงที่โคกคนเออ่เจดเป็อกัญชานใช่ไหมครับผม่อนได้ไหมอ้เป็นอระองค์อ<ห>เป็นพระทที่สุขานีลงสร้างเลยบวเยอะเลยซุลูกเลย่บเจแล้วินวัดมีผมพาในมีบางวัดกว่างมีพระมีพระอยู่ลูกสองลกครับครับได้จะไปนรนเดี๋มังทางวิทยุนะครับจากจังหวัดไหนครับคันธน์ครับปบุมธานครับขอบคุณแมกครับครับครับผม คือนี้คือปัญหาสังคมยุคใหม่นะคือที่จริงเราค่อนข้างสับสนในการนำสื่อพระศาสนาครับคือเราไปเล่นเด็กเล่นหินกันจนเกินไปครับแล้วไม่ใช่เนื้องานที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาเนื้องานพระพุทธศาสนาที่แท้จริงนะคือศึกษาคือปฏิบัติคือสัมผัสผลคือเผยแพร่คือดูแลรักษาพระศาสนามันต้มีอยู่แค่สี่เรื่องนะะตัวสัมผัสผลมันเป็นผลเฉย ที่เราต้องทําจริงๆก็มีอยู่สีเรื่องทีนี้เมื่อชาวบ้านก็าศรัทธาเริ่มสสยเขาก็สร้างเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าวัดโบสถ์วัดโบสถ์เต็มไปหมดบ้านเมืองเราเนี่ยหมายความวัดเนี้ยมีโบสถ์ที่พระหลายๆวัดเตไปลงโบสถสดร่วมกันอย่างที่วัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชนะพระสิบกว่าวัดเนี่ยมาลงโบสถสดร่วมกันครับือแต่ตั้งแต่โบราณมาเดี๋ยวนี้เก่งกันเลยสร้างโบสถ์หมดทุกวัด ทุกวัมีโบสหมดเลยครับใช่สร้างโบสถ์ทุก ว, วัดวัดอยู่ใกล้กันนิดเดียว <c oughs> แบบสมัยเมืองโบราณนะนะ <c oughs> วัดมันใกล้กันนิดเดียวแต่ก็สร้างโบสหมดครับพอรสร้างโบสหมดก็ทํายั ง, งไงไม่มีคนสวดปฏิโมกครข์เลยก็ต้องมาลงปฏิโมกที่โบสพระพหารหลวงเหมือนเดิม <c oughs> ทีนี้โบสมันเลยก็เป็นความสิ้นเปลืองนะแต่ทีนี้มันเอมันอะไรล่ะคือชาวบ้านด้วยโยครับ คืออย่าลืมมาชาวบ้านเนี่ยวัดเขาวัดเป็นเขาก็ถือแบบวัดใครวัดมันนี่คือจุดอ่อนของชาวพุทธวัดใครวัดมันวัดเขามีโบสเราต้องมีโบสด้วยครนะเสียศักดิ์ศรีไปลงโบสวัดอื่นเนี่ยวัดพุทธสิคุณคิดวัดพุทธสิวัดพุทธมันก็มีอยู่วัดเดียวตันเดงันทั่วโลกเนี่ยวัดพุทธทั้งนั้นแหละครับแต่คุณคิดอย่างนั้นเนี่ยใจคุณจะเป็นพุทธแต่นี่เอมใจมันเป็นเราเป็นเขากันอยู่ก็เลยสิ้นเปลืองเงินทองไปเล่นอิดเล่นหินไปเยอะเลยครับสร้างโบส คือโบส์เนี่ยเป็นสถานที่ที่ใช้น้อยมาก บ, บางวัดยังเรียกว่าปิดจนจนมีแต่ข้างขาวมีแต่อะไรนกพิราบทำรังรมีแต่ขี้นกขี้หนูต่างๆแต่ว่าโบสบางวัดก็ใช้สบักสบอมนะอย่างโบสวัดรวรนใช้อุตลุดเลยไม่หยุด <c oughs> เลยเข้าใ <c oughs> เห็นว่า ต, ตอนต้นรายการที่ก็าจะบอกาบวช สิบห้าวันสิบ้าวันนะบวชชุดหนึ่งบวชมันเป็นธรรมเนียมอะไรเช่าคนครับวสิบห้าวันชุดสิบ้าวันชุดสี่องค์ครับทุกคับสิบ้าวันก็อย่างน้อยสามสี่สิบสามสี่สบองค์เขาบอกนะสามสี่สิบครับผมก็บางทีถึงร้อยกว่าพอร้อยกว่านี่เราต้องอพยพไปทางนครปฐมทางระยองไอระยองแล้วเพระว่าเราไม่มีที่ต่อครับผมแล้วก็เวลานี้ก็ไปทําศูนย์ขึ้นมาที่ ข้าแถวมีบุรีนะแรงหนึ่งแต่ว่าที่ผมก็ยังแคบอยู่ครับผมก็เป็นเปิดขอดระยะสั้นๆครับตอนนี้ตอนนี้ตะมดสวิชาแดงต่อมาบัวถวายสมเด็จย่าใช่ที่ยี่สิบอ็ดครับผมกลับขอบคุณครับทุกคนจัดสายที่หกครับผมสวัสดีครับสวัสดีต้นพืาราจา้วสารนราการหลวงพ่อค่ะครับรบกวนพูดดนังนิดหนึ่งครับจะได้ได้ยินทั่วกันครับจ ก็คือหนูมีเรื่องอยากจะขอความกรุณงใให้หนูพ่อช่วยเขียนเป็นคำแนะนำการทำบุญสำหรับชาวพุทธนะคะแต่และเทศกาลนะคะยังยีงมีเทศกาลเข้าวรนษาออกพันษาอ่แล้วก็สึกสงกรารศากอะไรตร่างต่าที่ ที่ที่ชาวพุทธนิยมทําบุญกันมากๆนะคะเพื่อเขาจะได้ทราบว่าแต่และประเด็นนีเนี่ยการทําบุญเนี่ยเขาใช้อะไรบ้างต่งสมมุติว่าสาบอย่างเงี้ยครับก็มีทาอะไรอย่างไรบ้างนะครับจะมีอะไรบ้างครับมี่มีข้อเดียวนะครับปัญหาครับค่ะแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งนะคะครับผมอยากจะให้แก้ไขโดยเฉพาะว่าเป็นกฎหมายของพระเนี่ยว่า ไม่อยากให้มีทีวีเป็นส่วนตัว อ, อย่าอยากให้เป็นถ้าเป็นมีก็เป็นเป็นส่วนกลางเป็นเลยก็คือครวมรวมข่วดูข่าวดูได้ตรเนี้มันจะได้ค้นคาไอ้คอรหาอะไรทั้งหลายเลยครับขอบคุณมากเลยนะครับอขอบคุณครับคืเอเรื่องนี้มันพูดยากไปแล้วอนะฮะคือคือเราจะเห็นว่ากระแสของสื่อทั้งหลายเนี่ยมันก็โปรโมทกันจนว่า เราเขียนเมื่อไหร่ก็ไม่ถูกใจคนเครับเพราะว่าคนบางคนก็ต้องการขายสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นเข้ามาก็บรรจุในหนังสือเขาครับือเราหาข้อยุติไม่ได้คดังนั้นถ้าจะอ่านมันก็อ่านประเพณีสิบสองเดือนของในหลวงในการทีร่ห้า ก, ก, ก, ก็ก็อ่านได้ทีนี้ในการมีที่พูดถึงโทรทัศน์อะไรเนี่ยคุณต้องคิดว่าพระไม่ได้รู้โทรทัศน์แบบโยมดูหรอกครับ หรือเขาดูในกรณีที่จําเป็นต้องดูนะมีข่าวมีข่าวมีสารคาดีอะไ ร, ต, รต่างๆเขจะดูมันไม่มีเวลาไปนั่งดูหรอกงานมันเยอะพระเนี่ยที่หนึ่งที่สองยังไม่นอนเลยโยนนอนหลับหมดแล้ว <laughs> คือคุณอย่าคิดว่าพระคือชาวบ้านเราไม่ใช่แต่ว่าเขาต้องรู้เรื่องราวต่างๆเพราะต้องทํางานสื่อสารกับคนเราไม่รู้อะไรเลยเราจะพูดได้ไงครับ นะแต่มันไม่ได้หมายความมันต้องเป็นดูลำเมงละครด้วยตลกอะไรแต่ไหนมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเป็นนั่งเกาะกลุ่มกันไม่ใช่วิถีของพระพระเขาไม่เป็นเกาะกลุ่มอย่างนั้นถ้าเป็เกาะกลุ่มดูทีวีส่วนจะเขาไม่ากกมาะ<อ>ใช่ไหมใช่ฮะพระพระเขาไม่เป็นนั่งเกาะกลุ่มอย่างนั้นพระก็อยู่ยุ่งเงียบอ่ะคุณเข้าไปดูวัดรวนสักตอนตอนบ่ายๆต้องดูทีพระเป็นร้อยๆอ่ะไม่เหมือนกับไม่มีพระเลยควัดรวนอยู่ทั้งหมดทั้งพระทั้งเด็กเงี้ยสี่ห้าร้อย แต่เราข้าไปเต็นีเงียบชิดใช่ครับสงบมากเลยครับพี่แจ็คครับผมต่อไปสายที่กับสายที่เจ็ดครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสอบถามได้เลยครับเอ่อขอถามตั้งหาได้ครับครับเชิญเลยครับมีศรัทธาอยากจะบวชเป็นพระพิโสอีแต่เมื่อบวชครั้งที่แล้วทางวัดที่บวชอยู่ขาดแทนน้ําผมจึงไปส่งน้ําในโรงเรียนใกล้วัด ไม่ทราบว่าจะขาดจากความเป็นพระหรือเปล่าครับอ้โหแล้วจังหวัดไหนครับอยู่จังหวัดไหนครับอจังหวัดอุทัยครับอุทัยธานีโอได้ได้ฟังชัดเจนไหมครับรายการนี้ครับชัดเจนครับฟังเป็นประจำนะครับครับผมแล้วฟังทางวิทยุนะครับครับขอบพระคุณมากครับเด้เกลี่ยรองโยมขาดจากพระมีอยู่สี่เรื่องแต่นั่นเองนะในปราชิกสี่การไม่อาบน้ํามันก็ไปอาบที่มีน้ำอะเนี่ยไม่ไม่ ไม่มีน้ำมันจะอาบได้ไงใน ไ, ไม่วัดไม่มีน้ำมันก็ไปอาบที่บ้านโยมันเป็นกิจลักษณะไม่ได้แปลอะไรหรอกท้องทิมชนนบุรีมันก็เป็นอย่างนั้นแหละอย่าไปเดือดร้อนจะอยากจะบวก็บัวเธอไม่ได้มีปัญหาอะไรขอบคุณมากครับที่บริจาคสายที่แปดครับ สวัสดีครับสวัสดีครับขึกนามเรียนถามท่านเจ้าคุณเกี่ยวกับเรื่องเครื่องลังของการครับครับผมครับตัวอย่างนี้นะฮะผมเนี่ยเป็นคนที่สะสมเครื่องนะฮะครับผมถ้าผมก็เป็นคนที่รบกวนพูดด่นดังนิดนึงนะครับสายค่อยเลยครับครับแล้วผมก็เป็นคนที่ที่มีอายุแล้วนะฮะครับผมสะสมพวกเช่นบัวหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะฮะครับผม วัดปากน้ำเนี่ยและแต่สมเสร็จพระคังผมก็มีครับผมเราะลผมก็มีแท้ทั้งนั้นแหละครับเพราะผมไม่ได้ไปซื้อขายนะฮะของโบราณมาเนี่ยครับมที่เขาโฆษณาบอกว่าถ้ามีครอบครองสิ่งเหล่านี้ของวิเศษเหล่านี้จะร่ารวยจะมีฐานะดีจะอย่างโน้นอย่างนี้ที่เขาโฆษณากันอยู่นะให้โชคลาภแต่เท <c oughs> ่าที่ผมอยู่นะ <c oughs> ผมไม่เห็นผมมีอะไรก็เสมอเสมอตัวตื่นหน้าและผมก็อยู่ไม่เห็นว่ามันมันจะร่ารวยอะไรขึ้นมาเลยครับครั บ, รบและผมจะกลับียนถามอีกปัญหาหนึ่งว่า ประเทศใดในรูปที่มีเหมือนพระธิดาบ้างคนระที่ถูกเสกตำหนั ก, ก ข, ขึ้นข่าวขอกราบขอโทษครับเจขอบคุณมากคือคือพระเครื่องเนี่ยมันเป็นอย่างที่เคยเล่าเนี่ยฮะมันเป็นระดับสังคมที่เราต้องมีตุก๊กตาคืออย่างมีเด็กครับ <c oughs> เราต้องมีราวขึ้นบันไดก็ <c oughs> มีเด็กมีคนป่วยนะะมีคนชราครับ <c oughs> สังคมมันก็มีลักษณะอย่างนั้นแหละ ทีนี้การสร้างพระเครื่องเนี่ย ม, มันอุบมันโบราณมากๆครับสร้างพระเล็กๆเนี่ยมันเป็นเจตนารมของพวกคารวานทั้งหลายที่เขาเดินทางไกลเขาไม่มีอะไรที่อบบุญใจ<อ>เขาก็ยอ่อรูปรูปลงมาเล็กๆครับ นะก็กลายเป็นพระเครื่องเราจะเห็นว่าเราไปอินเดียไปขุดเราบีเยอะเลยเยอะยนะค <c oughs> รับท่านทีนี้อพิธีปลุกเสกอะไรจะเหมือนกันหรือไม่นี่มันมันก็คงไม่ใช่หรอกประเทศจีนประเทศอะไรก็กมีพิธีดังนั้นและแนวตรงนี้ยนะรเราอย่าลืมเราอย่าทอดทิ้งสังคมว่าสังคมเรายังมีผู้เยาวบคือเราพูดเราเองไม่ได้หรอกเพราะว่าเราต้องนึกว่าเออเด็กแหะ ตาปกติเอามาเดินเนี่ยมาก็ไม่ขึ้นบันไดพอป่วยไปไม่เกาะราบบันไดะตอนนี้ต้องกอเกาะตอนนี้ต้องเกาะเพราะว่าไปเข้าโรงพยาบาลมา <c oughs> เห็นนะครับผมแมื่ก่อนมันก็มีอย่างนั้นแหละมันก็มีเราก็มีเราตอนเราก็ขึ้นเฉยๆคือคื อ, ค, อ, ค, อ, ค, อคืออย่าไปอย่าไปคิดเรื่องร่ํารวยอย่าไปคิดอย่า ง, งานั้นไหนไการดีเขาพูดแล้วเขาพูดอีกเรื่องหนึ่งโยมต้องเข้าใจว่าเมื่อเขาเล่นทั้งเครื่องนี่เขาก็จะ ปั่นราคาขึ้นไปแล้วก็ซื้อขายการเขาก็รวยจิรั่แต่ว่าโยมเล่นในฐานะเป็นนุสติโยมก็ไม่รวยดิมันก็เราเล่นเพื่อสบายใจเป็นที่เป็นนุสติเป็นที่เราลึกของเราเราลึกถึงระพุตธเจ้าประรรมพระสงฆ์รับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเออควรจะเข้าถึงตัวคุณธรรมตัวพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมากกว่าที่จะไปอยู่กับพระเครื่องครับ กระเครื่อนนั้นก็คือตุ๊กตาอย่างที่บอกนะมันก็เหมาะสมหรับเด็กครับอาวุธทีภาวะขนาดเด็กอ่ะแต่เมื่อาวุธที่ภาวะสูงขึ้นถึงมีเราก็ถือว่าเป็นอนุสติครับก็ไม่ได้แปลกอะไรครับผมอ้าวพัดครับขอบคุณครับสายที่เก้าครับสวัสดีครับขอเจริญกรุณาในรายการแล้วขอกราบในมาศการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณเลยครับผมอือมมาสการครับท่านครับเชิญสอบถามได้เลยครับ ขอถามปัญหาสักข้อหนึ่งคืออยากถามว่าสทีนุโบรสดทั้งแปดข้อนั้นถ้าหากว่าขาดไปข้อหนึ่งแล้วขาดหมดทุกข้อเลยหรื <c oughs> <ข>อเปล่าครับอาจารย์ผมขอฟังทา <c oughs> ง, งวิทยุนะราชการท่านฟังอยู่ที่จังหวัดไหนครับท่านครับจุโขทัยครยนะัะฟังชัดเจนนะครับท่านท่านกระเด็บอุลนครับบางครั้งก็ได้ฟังชัดบางครั้งก็ไม่ค่อยชัดครับผมเก่ยวกับการครับผมรับฟังทางวิทยุนะครับ ไปราชการเขาแต่งครับ ค, คือคือสีนเนี่ยท่านไม่ว่าสีอะไรก็ตามแหละข้อไหนขาดก็คือข้อ น, นั้นขาดอ่ะมันแจกขาดตรงอื่นได้ยังไงคือคือนเหมือนกับผ้าขาดเชือกขาดอะไรแต่ในขาดตรงไหนก็คือขาดตรงนั้นเค <ละ S 2> รับที่เราพูดมากเกินไปเราพูดมากเกินไปจนถึงว่าสีห้าขาดข้อหนึ่งขาดหมดมันไม่ใช่มันเหลือสี ขาดไปข้องก็เหลือสี่นะครับเชื่อห้าเส้นขาดไปเส้นหนึ่งก็เหลือสี่เส้นก็จะว่าไงแปดเส้นขาดไปเส้นหนึ่งก็เหลือเหลือเจ็ดเส้นคือมันมันก็เรื่องธรรมดาเนี่ยแต่ทีนี้มันก็เชื่อตามกันมาโดยไม่ระบบความคิดเราไม่ได้ฆ่าสัตว์และจะถือว่าเราขาดสิ่ข้อฆ่าสัตว์ได้ยังไงใช่ครับทุกคนจ้ครับอเราผิดเราผิดข้ออื่นก็ใช่เราไปละซั์และจะปรับว่าเราเราเราไปฆ่าสัตว์ได้ไงครับ อันมันไม่มีเหตุผลคือพูดกันเรื่อยแบบสังคมเราเนี่พูดกันเยอะครับก็เรียกว่ารู้ก่อนเรียนเนี่พูดเยอะรู้อนเรู้ก่อนเรียนนี่พูดเยอะศี่ห้าข้อที่ห้าเป็นเหตุแต่ละเมื่อศี่หมดทั้งห้าข้อเอาถ้าละเมื่อเช่นสมมติบบว่าเมาเหล้าแลยไปฆ่าคนมันผิดเพราะฆ่าคนไม่ได้ผิดเพราะเมาเหล้าใช่ครับผิดเพราะฆ่าคนใช่ไหมครับผม มอล่าเราไปรักทรัพย์ก็ผิดเพราะลักทรัพย์ไม่ได้ผิดเพราะมเล่าเห็นไหมฮะคือคือคือเราเราไม่พยายามที่จะที่จะคิดอะที่จะทําความเข้าใจแล้วก็อธิบายจนเนี้ยจนพระอะไรแต่ท่านก็หลงเชื่อตามไปเพราะมันมันต้องมีเหตุผลศาสนาต้องมีเหตุผลไม่ใช่พูดเอาเองครับ ครับท่านเปิดใจครับก็มีนะครับหลายสายเลยครับไม่ได้ตัดจังหวัดนะครับก็รายการเสียงทำจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมนี่นะฮะอากาศจากปตอไปนี่นะฮะแฟนรายการหลายท่านม่ได้ตัดจังหวัดแล้วก็โทรเข้ามาบ้างเจ็ดหมายเข้ามาบ้างนะครับก็ขอขอบคุณนะครับจากท่านพลเอกเสรีและดรรัชติพลผู้กมกับนะครับซึ่งรายการในปัจจุบันนี้นะครับเรากระจายเสียงออกไปแล้วแพร่หลายออกไปจะถือว่าเป็นการเผยแพร่ศาสนาได้อย่างดียิ่งเลยนะครับสายที่สิบครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเออเมื่อกี้ผมถามมาชีว่าที่เวลาใส่บาทแล้วล้วเพาะนั่นนะ่ะตอไปแล้วนะตอ<ช><า>ผมลืมถาม ว, ว่าบางครั้งนะผมบอกว่าก่าอหลวงพ่อไม่ต้องไม่ต้องไมต้องหลวงพ่อบอกเอาทำไมละ่ะาไมเ ครับผมครัผมก็บไม่ต้องแล้วครับผมเคยบวชมาแล้วผมไม่เคยผมไม่เคยให้พรแบบนี้เลยกราบเปรียดกราบู้แบบนี้ครับขอบรับทางทางยุญญาณครับขอบคุณมากเลยนะครับก็ดีนะช่วยช่วยเตือนท่านหน่อยคงแสดงไม่รู้เรื่องอ่ะเป็นพวกหลงตาคงเห็นตามกันมาครับแล้วมาว่ามันพวกละเมึงละคอนเนี่ยมีส่วนมากใช่ครับที่ผู้ใจครับเอมันไปแสดงอะไรมะพระให้พรว่านโมพระขับพิว่านโมอะไรต่ัวนี้คือมัน คือเราเสียดายคนของเราครับเมื่อช้านีนหลานชายเขาสร้างภาพยนตร์กับญี่ปุ่นมาก็เตือนเขาบอกว่าเธอต้องตั้งคําถามตอบคําถามให้ได้ว่าเธอจะให้อะไรแก่ผู้ดูให้อะไรแก่ผูด้ดูครับครับถ้าเธอตอบไม่ได้เนี่ยเธอก็เอา ร, ระดับเปรียบสังคมครับเธอสร้างไปแล้วก็ฉีดยาพิษขนาดจิตใจของคนดูอ่ะถ้าเธอตอบไม่ได้เธออย่าสร้างครับเธอต้องให้เขาให้ได้อย่างน้อยเธอต้อ ง, ต, องต้องได้หลัก อย่างเนี้ยยกยกตัวอย่างว่าพี่พบมัจจุราชเนี่ให้สํานึกถึงบาปบุญคุณโทษครับคนก็กลัวบาปกลัวตุกนรกครับเห็นไหมฮะอันนี้มันให้เรื่องตุกตาเนี่ยข่าวหนึ่งเรื่องตุกตาเนี่ยเขาจะให้คติเรื่องกาตัญญูเรื่องซื่อสัตว์เรื่องตรงต่อเวลาเรื่องรับผิดชอบอะไรวรรคข้อวรรคข้อวรรคข้อเขาให้หรือเปวัสุทัน์อะไรเนี่ยเห็นไหมฮะก็จะให้เรื่องกลัวบาปกลัวกรรมมันต้องให้อะไรเกี่สังคมอย่างนั้น ขอบคุณมากครับทุกคจครับสายที่สิบเอ็ดครับสวัสดีครับงานกำกับการก็เดกหลวงพอ่อเรื่องพระเรานีเห็นใช้โทรศัพท์มือถือในที่สาธารณะเคิดว่าจะไปรอป้ารถเมย์หรือว่าเดินตามทางมาลายนีใจลอยใจเ ย, ย็เยนเฉยอย่างนี้ดูแล้วมันไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่เออเดี๋นี้เราจะมีวิธีการช้องกันหรือว่าเชื่อถยังไงครับโทรศัพท์มือถือนะครับเจา้านครับ ครับมีประเด็นเดียวนะครับเรเด็นเดียวครับกล่าวเศกาลกัลตังกล่ บ, บปัญหาสำคัญว่าความช้นึกอย่างนี้มันมันออดด้อย อาตมาเองเข้าถวายตัวสับมือถือมาประมาณห้าเครื่องทำหายหมดเลยใช่โยโย่ยอามาให้ระวางา <S <S วางไว้องใช้ัศพท์่คือยังมีความรู้สึกว่าถ้าเราจะมีนะเราก็ใส่ย่ามไว้เช่นสมมุติเราเดินไปบรรยายที่ไหนรถมันเกิดติด เราก็ประสานบอกไปปลายทางครับตอนเนี้เราเรารถติดนิดหน่อยอะไรแต่ไหนแต่นี้ครัดีเด็กมันมีอ่ะเลยเลยเราก็ไม่ต้องเมียเด็กผู้ชานี่กได้เด็กนี้คือนี้เราเราเราไม่ได้พูดการเราเคยติว่าพระองค์หนึ่งเป็นอาจารย์กรรมฐานลงจากเครื่องมีฮันโหลฮันโหลเดินเลยโอ้โหสมเด็จท่านไปเห็นก็ท่านอึดอัดอ่ะ เขาจะพูดยังไงก็ไปพูดอะไรในในแอร์พอร์ตก็พูดไม่ได้ไอนี่คือคือความสำนึกมันไม่เสียหายหรอกการพูดอะแต่ว่าต้องรู้สถานะเขาเรียกอัตัญญูตาการลันญูตานะแล้วก็ปริสันญูตาตรงนั้นภาพมันไม่สวยครับเธอมันอะไรนักหนาล่ะทำไมต้องโทรล่ะครับมันมันมันมัน เรานึกดูว่าไอ้โทรศัพท์มือถือเนี่ยเราเข้าห้องน้ํายังต้องอยังต้องรับเขาครับอาบน้ํายังต้องรับโทรศัพท์มือถืออะไรอ่ะทำไมเ ร, เราเราต้องอยู่อย่างเป็นพาดสื่อสารอย่างนี้ครับอาจรครับมันพาเนี่ยมันมันมสอเองต้องประกาศแต่มาก็เคยไปประชุมนะในขณะที่ประชุมเนี่ยผู้ใหญ่มีมอสอีมีโทรศัพท์เข้าท่างก็นั่งพูด โอ้เอากันอย่างนี้เลยต้องประชุม่วยแต่เราก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรนะเรื่องมันค่อนข้างสำนึกเนี่ยปัญหาพวกแงวสำนึกครับถ้าแกขาดสำนึกเลยจะพูดยากครับมันปรับอาบัตอะไรก็ปรับไม่ได้แต่ว่าความเหมาะความควรเนี่ยมันมันก็ต้องรูกาลเทศะเนี่ย ก็ก็เรืองส ม, มณะสัญญาสมณะ น, นึกว่าเราเป็นพระนะเนี่ยครับคิดไว้บ้างสนึกว่าเราเป็นพระนาการกระทําบรรดที่เหมาะควรแก่ความเป็นส ม, มณะก็ต้องทําอย่างนั้ น, นขอบคุณครับที่คุณแจ็สายที่สิบสองครับสวัสดีครับ สวัสดีครับศานตราจารย์หลองพ่อและสวัสดีคราารครับ ส, สวัสดีครับรบกควรเรียนถามว่าการนั่งสมาธิครับเรากำหนดจิตที่หั ว, วคิ้วปลายโพรงจมูกหรือวีปากด้านบนหรือหน้าอกนี่คือ จุดไหนถูกหรือได้ทั้งหมดนะครับอาจารย์ครับแล้วฟังทางวิทยุนะครับครับครับผมไม่ใช่บันเด็นอะไรหรอกคือกําหนดที่ไหนก็ได้คุณดูฝาผนังก็ได้ดูสีก็ได้ดูดอกไม้ก็ได้ดูแสงไฟแสงเทียนก็ได้นะไม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยจิตสงบมีสติเป็นตัวนําสัมปชัญญะเป็นตัวตามความเพียรเป็นพลังกับเครื่องจิตให้สงบนิ่งอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเราก็เรียกว่าสมถะ เพรน้นอะไรไม่สำคัญนะฮะสำคัญตรงไหนก็ได้ฝรั่งก็นั่งดูเหรียญ น, นั่งดูเหรียญ น, นั่งดูน้ําหยดนั่งดูอะไรก็ได้ไม่แปลกอะไรให้จิตมันเกาะนะั่นน<ช>ั่นเองไอ้พวกนั้นเป็นที่เกาะของจิต<ช>ที่ท่านอุปมาว่าจิตเนี่ยเหมือนไอ้จิตเนี่ยเหมือนกับลูกโคกโับม<ช>ังซอนอารมณ์กรรมฐานเนี่เหมือนกับเชือกอ<ม>เชือกซึ่งเราเอาไปล่าไว้กับอะไรสักหลักหนึ่งล่ำล่าที่ไหนก็ได้ไม่แปลกอะไร ใช่ฮะอันนี้เป็นตัวอารมณ์ที่เราที่เราจะสมับล่ำเชือกเท่านั้นเองนะสติสติจึงเปลี่ยนมันก็เชือกใช่ฮะตัวตัวจิตเหมือนกับลูกโคเราก็เอาเชือกไปล่ำกับคอโคแล้วก็ไปล่ำกับไอเสากันหลักกับไก้อนอีกคนนึอะไรก็ได้อะไรก็ได้น แต่ว่าโคมันวิ่งไปไม่ได้แต่นั้นเด็กครับขอบคุณทีม่มาิจาคครับก็ขอญาติเรียนฝากผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่ส่งบุตรหลานมาเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีประทุมนะครับก็ตั้งแต่พุธนี้เป็นต้นไปนะครับนักศึกษาปีหนึ่งของเราก็จะเข้าคอร์สในการเรียนวิชาทัาากษะการเรียนรู้นะครับเราก็จะให้เด็กเนี่ยนะครับนั่งสมาธิ ฝึกสมาธิฝึกปฏิบัติสมาธิคนละสองชั่วโมงเลยนะครับเป็นนโยบายของท่านอธิการบดีแท่านพระฤาษีบุคคลาณนะครับให้เรียนรู้พุทธศาสนาแล้วก็ฝึกนั่งสมาธินะครับแล้วได้กล่าวนิมนต์พระที่อสอนทางด้านนี้นะครับมาสอนให้นักศึกษาเพื่อที่จะมัดจิตต่างๆแล้วก็มีความสงบนะครับแล้วก็เรียนทางพุธศาสนาเนี่ยท่านพระฤาษีบอกว่าต้องเน้นจริงๆเลยนะครับว่าเด็กปีหนึ่งเนี่ยอยากจะให้รู้พุทธศาสนาอย่างจริงจัง โดยเราจะให้เรียนในวิชาพุทธศาสนาประจําวันนะครับให้เด็กเนี่ยได้รู้พุทธศาสนาแล้วก็สามารถที่จะนําพุทธศาสนาไปใช้ได้นะครับเวลามีปัญหาอะไรในชีวิตต่างๆเนี่ยพุทธศาสนาจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องนะครับท่นานที่ควใจครับเรียนสอบถามท่านอาจารย์หน่อยนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเนี่ยเวลามีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับศาสนาในเข็ญเจ้าคุณอาจารย์เนี่ย น, นะครับเป็นเป็นแม่เป็นค่าค่าเป็นแม่ทัพเลยครับในการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยนะครับเวลา เก้ปัญหาต่างๆที่ผู้อาจารย์มีหลักในการแก้ปัญหาอย่างไงบ้างครับเรื่ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับศาสนาเวลามันถาโถมเข้ามาเนียครับคือคือมันมันอามาว่ามันมันอะไรอ่ะครับอามารู้สึกมันนะเออถ้าเจอปัญหามันรุกอย่างอย่างสมัยจอมพลถนอมนุ้มันสนุกมากเลยช่วงตุลาพอดีเลยมันท้าทายสติปัญญาเรามากเลยครับผมแล้วเราคิดออกหมดอ่ะครับก็มาจากไหนก็ไม่รู้มันคิดออกหมดอ่ะครับผมคือโต้ใคๆก็ได้เราเราเราสามารถอธิบายได้ครับ มันมันเป็นการพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าความรู้เราที่ศึกษาค้นคว้ามาที่จริงมันก็เก็บไว้ในจิตครับเพียงแต่ว่าเราไม่มีโอกาสใช้ครับผมมีโอกาสใช้มันมีคําถามมาเนี่ยมันก็ขึ้นมาเลยครับอนะ่ก็ยังยังมีคนถามมาเอ๊ะท่านเจ้าคุณทำไมตอบไม่เคยติดบอกไม่ได้คือเขาไม่ได้ถามเรื่องที่เราตอบไม่ได้ไอ้สิ่งที่เราตอบไม่ได้ก็มไม่เคยถามเราเราเลยก็ตอบได้ครับก็มันเอ่อเป็นเป็นงานที่หมายความว่า เราก็ติดตามเรื่องตรงนี้แล้วก็อามามองมองมองสิ่งทั้งหลายไม่ได้มองอย่างที่คนทั่วไปเขามองบอามามองจากธรรมะนี่ถือว่าเป็นฐานตัวสัตว์จะทำมันอยู่ตรงนี้วิชาอื่นมันมันเป็นองค์ประกอบเฉยๆเดี๋ยวกเข้าใจไปไหมน่ะวิชาเนี่ยเศรษศาสตร์มันคืออะไรพูดถึงจุลภาคมาภาคว่ากันมรกีเล่มเรียนนึกบัญญาเอกแต่จริงๆคืออะไรครับจริงๆคืออะไร อย่างเนี้ยอย่างอย่างอย่างอางอตมาเรบเรียงนิเทศศาสตร์เนี่ยอามาดูเฉพาะนิยามนั่นเองครับผมเรืนั้นเขียนเองหมดการบริหารการจัดการองคอ์กรดูเฉพาะนิยามลเลยเขียนเองหมดเขียนจากตามตามพระพุทธเจ้าเราเชื่อพระเจ้าเก่งกว่าคนอื่นครับเราเชื่อพระเจ้าคนอื่นเราไม่เคยเชื่อหรอกเพร า, า ง, งั้นคุณคุณว่าอย่างไรก็ว่าไปแต่เราเอากรอบของคุณเอาไะ เดี๋ยวเนี้ยพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไงเราจะเอาอย่างนั้น<ช>อเอาฝขอบคุณครับศูนย์สองสองสหนึ่งสาสาหนึ่งห้าะครับขอญ่านี้หนึ่งนะครับสำหรับแฟนรายการที่ต้องการหนังสือสัตรูชีวิตนะครับโดยพระเดชพระคุณพระเทศบิลก์นะครับ ท่านเจ้าพนัางา์งให้มาสองรอยเล่มนะครับซึ่งจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้อาจําหน่ายที่ธรรมสตา์นะครับราคาเล่มละ15บาทแต่ว่าเจ้าพนักงานให้มาเล่มเ็กๆอ่านง่ายๆสําหรับอ่านก่อนนอนหรือว่าสําหรับอ่านเวลาไปพบไปที่ไหนก็นแล้วแต่นะครับก็จดหมายมาได้นะครับที่รายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมหกสิบเอ็ดประหลนโยธินจตุจักรกรุงเทพหนึ่งศูนะครับหรือโทรศัพท์มาก็ได้นะครับที่ศูนย์สองห้าเจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่ง แล้วก็ต่อสองสองหนึ่งเจ็ดนะครับก็ฝากชื่อที่อยู่ไว้นะครับขอยากแค่สองร้อยท่านนะครับ ซึ่งทางท่านอธิการบดีนะครับก็จะมอบหนังสือสวดมนต์แนบไปด้วยอีกหนึ่งเล่มแล้วกันนะครับเป็นสองเล่มจะได้แพ็คคู่กันไปแล้วก็ใส่ซองติดสแตมส่งให้ท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะครับทางมหาวิทยาลัยศรีปรทุมโดยท่านพระเดชเสรีผู้กรรมมาและท่านดรรัชนีพรผู้พยพระผู้กรรมานจะจะส่งให้ฟรีโดยไม่คิดมูลค่าครับสายต่อไปสายที่สิบสามครับสวัสดีข้าพเจ้าาการครับสวัสดีค่ะกับนิมมัติการนะคะคุณเจ้าจะขอรบกวนเรียนถามนะคะและให้พระคุณเจ้าแนะนํำทีแนะ น, นะคะคือเอ่อตัวตัว ตัวดิฉันเองเนี่นะคะอายุที่เหลืออยู่ก็ไม่มากแต่ว่าพอมีจะมีเวลานอกจากการทํางานคราวนี้จะตั้งหน้าศึกษาพระธรรมนะคะได้เออได้ฟังในการนี้มานานแล้วนะคะคราวนี้าการจะที่เราจะมาหาหนังสือมาอ่าน เราควรจะอ่านจักอะไรบ้างเช่นตอนนี้ก็จิตพระอภิธรรมเรื่องปริเสธแล้วก็ฟังไปด้วยใช่ไหมคะตอนนี้จึงจะขอค้าคำแนะนำเพราะคุณเจ้าว่าควรจะลืมอ่านอะไรก่อนเพื่อจะเราจะได้ ม, มาปฏิบัติได้ด้วยอ่านแล้วเข้าใจแล้วมาปฏิบัติจาชีวิตจืิง แล้วไม่ทราบว่าทางเมหาวิทยาลัยศรีประทุมนะคะที่ห้องสมุดพอจะมีหนังสรรือให้หยุดเยิมมาอ่านได้หรือไม่ถ้าไม่ใช่นักศึกษา<อ>จากทางทางวิทยุนะเจ้าคะครับ<น>แล้วตนั้นก็อายุเท่าไหร่แล้ว<น>ครับอาจารย์ท่านครับห้าสิบกว่าค่ะคราวนี้คือว่าได้ได้ปฏิบัติางานเอการทำงานนะคะ<อ>ไม่สามารถตวจเพาเราเป็นผู้หญิงความอายุน่าจะมันค่อยคงจะยากแต่อยากจะศึกษาเราทุกครั้งที่ฟังราจารแล้วแล้วก็อนามาปฏิบัติเคยได้เดือนถามเกี่ยวกับที่เอากระดูกไป เอเอไปไปรายอาคาแล้วก็ได้ขอเทปไปด้วยแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเพราะฉะนั้นเราควรจะปฏิบัติเองดีกว่าคาก็เลยตอนนี้เขามีเวลาที่จะนอกเหนือจากที่เหลือบ้างเช่นเวลาจัดภาราชกิจการงานฝั่งชี่เป็อาจารย์ประจำเลยเปล่าครับกูประจำจนเออ นานมากแล้วล่ะค่ะนานมากเลยค่ะเป็นไม่ต่ำกว่าห้าหกปีแล้วค่ะก็ขอฝุกข้อมโนาด้วยนะครับขอบคุณอากครับเริ่มจากไหนก่อนคือที่จริงเนี่ยมันเริ่มจากหนังสืออะไรก่อนก็ได้นะครับคือประเด็นประเด็นหนังสือเนี่ยมันเป็นการเรียบเรียงจากพระพุทธวจนะที่สอนอยู่สี่สิบห้าปีแต่ว่าในภาคของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันสรุปเป็นศีลสมาธิปัญญาก็ได้สรุปเป็นทานศีลภาวนาก็ได้ ประการสาคัญก็คือว่าความคิดความคิดหลักเนี่ยคือทำยังไงกับสิ่งมีชีวิตรเรารู้สึกเป็นมิตรหรือเฉยเฉยเสียครับอ่าแล้วกิเลสมันจะหยุดตรงเนี้ยแล้วก็รัพย์สิ่งของของบุคคลอื่นเราไม่อยากได้มันจะลดกิเลสประเภทโลภะราคะลงไปแล้วเราก็ใช้ระบบของปัญญาพิจารณาถึงเหตุถึงผลอย่างน้อยที่สุดนี่ก็คิดได้ อะไรที่เราไม่ต้องการาให้คนอื่นทำกว่าเราเราอย่าทำขังคนอื่น อ, อะไรที่เราต้องการให้คนอื่นทำกว่าเราเราก็ควรทำขังคนอื่นใช่ไหมมันก็เป็นงา น, นบัตธรร ม, มอยู่แล้วส่วนโยมอายุตั้งห้าสิบกว่าแล้วไปเรียนอภิธรรมเนี่ยมาว่าต้องเสียเวลาท่องเยอะนะฮะอภิธรรมมันมีลักษณะเป็นแผนที่มากกว่าคือหมายความว่า เราเรียนไปเถอะถ้าเราไม่ไปเราก็ไม่เห็นครับครบใช่ไหมอธิบายแผนที่ตรงนั้นมีทิศนั้นทิศนั้นทิศนั้นเราต้องไปคือ ม, มันอธิบายการเดินของจิตครับการเดินของจิตแล้วก็เป็นตัวลายละอสณ์อัจะเยอะแตจ่จริงๆ จ, จิตมันไปแล้วครับไปตั้งนานแล้วเพราะงัน้นหลักจะรวม เราจะปฏิบัติก็สรุปว่าในสิ่งมีชีวิตเรามีเมตตาหรือเฉยๆในสิ่งไม่มีชีวิตเราไม่มีโลภะกับทุกสิ่งเราใช้สติปัญญาอครับเอ า, อาขนาดนั้นก็ ค, คือไม่ต้องไปอ่านมากกนครับอ่านมากก็ดีนะฮะแล้วก็ถ้าโยมต้องการจะอ่านมาจะส่งหนังสือนิเทศทําให้เล่มก็ได้ครับ ก็แฟนรายการท่านเมื่อกี้นะครับท่านเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าต้องการหนังสือนิเทศธรรมนะครับที่คอาจารย์จะจัดส่งไปให้ก็คิดจะหมายมาที่รายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิปทุมนะครับ6กสิบเประหลดโยธินจะจุจักกรุงกกเทพห10นึ่งศูนย์เก้าูนย์ะครับหรือโทรสาร ม, มาได้นะครับศูนย์สองห้าเจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็ต่อสองสองหนึ่งเจ็ดนะครับสองสองหนึ่งเจ็ด แล้วก็บอกที่ที่อยู่นะครับทางในการจะจัดส่งให้เป็นธรรมบรญญัการโดยพระเดชพรคุณพระเทิดินหลกนะครับท่านได้ให้หนังสือเรามาเยอะมากเลยนะครับเราแจกไปเป็นประมาณเป็นปันพันเล่มเละครับขนาดนี้นะครับแล้วอย่างนึงนะครับรายการที่ถามมาว่าห้องสมุดธรรมะของศรีปฐุมเนี่ยนะครับมีหนังสือธรรมะ เ, เยอะมากเลยนะครับของพระเดชพรคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ถ้าอยากจะอ่านนะครับก็ เข้ามาได้นะครับที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมชั้นสี่นะครับอาคารสยามมรุราชกุมารีชั้นสี่แต่ว่าขออนุญาตนิดหนึ่งครับขออนุญาตมาทำบัตรสมาชิกนะครับและขออนุญาตแจ้งเป็นหลักสูตรไว้นะครับว่าท่านชื่อนามสกุลอะไรมีหลักฐานต่างๆแสดงให้เราเห็นชัดเจนแล้วเราจะขออนุญาตท่านพระเเสลีนะครับขอยื่นหนังสือธรรมะท่านกลับไปอ่านก็ได้นะฮะถ้าเกิดเสมอท่านต้องการนะครับข้อทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมคิดว่าการให้ทั้งตัวนะครับการให้ธรรมะเป็นทานเจตนาการให้นั้งตัวท่านควรใจครับ แฟนรายการหลายท่านบอกว่าหนังสือท่านกวีจารีดีมากๆเลยท่านกวีจารีเวลาเขียนตอนไถนบ้างครับเพราะว่าสังเกตอยู่แล้วโอ้โหเหมือนกันหลังมาเหมือนกระใสเกือกมามาทําเร็วอะฮะคือเป็นคนเป็นคนอทําทํางานในเร็วหมดแล้วก็หนังสือบางทีเนี่ยเราเราพูดเพื่อให้เป็นหนังสือครับผม กวหนังสือบางเล่มเนี่ยอาจจะสี่ห้ารอยหน้าเดี๋ยวถามมามาใช้เวลาแถะมาใช้เวลายี่สิบห้าชั่วโมงยี่สิห้าชั่วโมงยี่ห้าชั่วโมงจบแล้วนะครับการนั้นวันก็คือใ่กาจะพูดพูดให้เป็นหนังสือพูดให้เป็นหนังสือครับทุกท่านครับไม่ใช่พูดเพื่อพูดครับผมนะพูดเป็นหนังสือคือหนังสือเลยลอกแล้วก็พิมพ์ได้เลยครับแต่ไม่ได้พูดอย่างอย่างนี้นะครับเความมาพูดให้เป็นหนังสือ เดี๋วคนก็ก็ลอกมาจาดลกตอนพิมพ์ได้เลยครับหนังสือเยอะที่สี่ห้าร้อยหน้าเนี่ยเที่มาใช้เวลาพูดเรายีิบสามชั่วโมงบ้างที่สิบห้าชั่วโมงไปอย่างมากครับเดี๋ยวเราก็ไม่ต้องการจะเกินห้ารอยหน้ามันใหญ่เกินไปคท่านฟอนเพราะเราคนอ่านนี่เหมือนกับอ่านแบบได้ต่อเรื่องเลยเขาจะกรัจายครับไม่ติดสลุดเลยตอนตอนนี้มันไม่มีค่าพิมพ์เองอนะหนังสือใต้ร่มประโพธิญาณเนี่ยถ้าพิมพ์ออกมาเนี่ยเป็นเนี่เป็นชุดเลยครับแล้วก็ หลายตอนหลายพันนะเจ้าสุกก็ยังค้างอยู่แต่ยังยังค้างอยู่หลายเล่มก็มังอยู่โรงพิมพ์ตอนนี้ก็สองสามเล่มโอกะมังวันวันนี้เด็กก็เอามาเอาไปไปเรียบเรียงแต่คิดจะแบ่งฮนะคิดคจะแบ่งว่าจะเอาอย่าให้โตเลยเอาขนาดเล่มละสามร้อยหน้บเพื่อไม่ให้โตเกินไปครับนะให้ก็ให้เบามือหน่อยแล้วก็เปิดง่ายหน่อยครับก็ จากใจสู่ใจด้วยมิตรีนะฮะ็จะแยกปรัชญาออกไว้ตอนหนึ่งแยกองค์ธรรมหลักธรรมเอาไว้ตอนหนึ่งแลกสังเวียนนานเอาไว้ตอนหนึ่งก็กลายเป็นสามตอนครับนะแล้วก็คิดว่าจะเพกเข้ากล่องเดียวกันเป็นเป็นเป็นซีรีส์ก็ได้เป็นซีรีสแต่ ว, ว่าเป็นรูปเล่าทั้งนั้นนะฮะเป็นรูปจดหมายคุยกลนใ ห, ให้ให้เพื่อนฟังกันนอครับผมเป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งครับ ครับขอบคุณอาจาร์ครับก็เหลืออีกนาทีสุดท้ายนะครับเมีแฟนรายการหลายท่านอยู่ต่างจังหวัดนะครับตอนนี้ประสบปัญหาเรื่องน้ําท่วมมากเลยน่าสงสารมากเลยครับเจ้าคุณอาจาร์ครับปลกปลบใจแฟนรายการนิดนึงครับคือคือวันนี้มาก็คุยกับข้าม่ครับผมบอกว่าน้ําท่วมเนี่ยบ้านมันต่ำกว่าน้ําบ้านมันต่ำกว่าน้ําช่ใช่ครับถ้าบ้านสูงกว่าน้ํำน้ํายังไม่ท่วมภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มครับอ่างทองอยุทยาราบลุ่มทั้งนั้น ครับบุญญาตจยายเราสร้างบ้านในถุนสูงครับเวลาน้ําหลากมาจะนั่งตกเบ็ดอยู่บนบนบนบาน้บานนั่นแหละนะแล้วแกก็ขับถ่ายตรงนั้นแหละทีนี้เราไปสร้างบ้านอย่างนี้ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงแต่ว่าอาตมาโตมาจนข้ามาอยู่เที่วอายุยี่สิบเจ็ดปีอาตมาไม่ตื่นเต้นกับเรื่องน้ําท่วมครับผมแล้วก็สนุกด้วยครับ น้ำท่วมเราก็ไปไหนมาไหนก็ครั้งก็สบายก็เราก็รู้แต่เวนี้เราตัดไม้ทํำลายป่ามากมันหลากมันแรงแบบน้ําพ่อประปามันแตกแบบคือเป็นกระสายใช่คือคือคือมันไม่ได้ค่อยๆไหลมาอย่างเมืครับอนเพราะนั้นก็โยมก็ต้องต้องอดทนนะฮะอทนทานวิพิตรการตรงนี้ได้ภัยธรรมชาติเนี่ยมันไม่มีใครจะหลีกเลี่ยงได้แต่ที่จริงถ้าเราเข้าใจถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์เนี่ยเราจะสามารถ